อาอหังกรรมามิตม่ฮปีเวธรรมวจิบังธมามะทันเตด้วยกายกรรมวจิกรรมอนกรรมที่ท่านทั้งหลายแสดงความเคารพกรรวาสตกประสงงวงพระเจ้าทั่วไปหรือเคารพกระวาจากผู้ทรงคุณวุฒิเดอผู้เกิดในกาคาโอุณสงเช่นชาติวาาุโตวยะวุโตคุณวุโต คนมีคุณถึงอายุเจ็ดขวบเป็นพระอารารเราร็กราบได้คนมีอายุมากเรียกว่าวัยยะปลายะคุณก็เรากลาบได้ส่วนจาติวุโตคนชาติสูงเช่นในวงกษัตรทุกๆวงเรากราบได้จจตต ถ, นนไดถึงบรลบุดกัลิดา คลอดในวันนั้นเราก็กราบได้เพราะแปลว่าพระเจ้ารับสั่งว่าคนเกิดในกระกูลสูงเพราะทําบุญมามากบุญนั้นมันไม่ตกหล่นไปไหนตั้งชีวิตเวียนว่ายตายเกิดก็ยังอยู่กับตัวคนจะนั้นท่านทั้งหลายในตระกูลของกษัตริย์แม้ท่านเกิดวันนั้นเราต้องกราบได้อย่าถือว่าเด็กเพิ่งเกิดไม่มีความหมาย เด็กเพิ่งเกิดแต่เกิดความดีมานานพวกเกิดชาติถูงมาจากบุญกิยาวัตุกิจประการาก็สำกัญก็คือมาจากอาจารยนะธรรมเกอเขารกเขาระนอกน้อมต่อผู้อื่นในชาติก่อนจึงบรรดาใ้เกิดในสกูลถูงผู้ไม่เขารักไม่แสดงกว่ากระวะตต่อบุคคลทั่วๆไป ไค้ควรจะเคารพจะเกิดในตระกูลต่ำเป็นจันทานยากและยากลร้ทุกข์กคนเข็นใจที่มีกันมากมายเพราะกระด้างกระเดื่องไม่อ่อนน้อมท่อมตนต่อผู้อื่นเึ่องพระพุทธเจ้าตรัสอุปาทิตไว้ก่อนหนึ่งว่ายัสสะจะพระรมารีขขราุกคารวนุปลัปะิ อาร า, ากาพุตตะธรร ม, มานาฟังปัทปิยายาถาผู้ใดไม่มีความฝารัในจ้าติวุตโตคุณววตโตหรือวายวตโตคนนั้นเหมือนบุคคลถุกสาบจึงเกิดเป็นคนงให้สมบูรณ์รูปชั่วตัว ด, วดำยากจนค้นแทนพิกลพิการก็มาจากไม่ขรรค์ขรวะใครผู้ใดขรรค์รวะต่อมนุษย์ด้วยกัน แต่เป็นคนชั้นสูงก็ตามบวดเป็นพระเพียงวันเดียวแม่พ่อผู้หลักผู้ใหญ่ยังกราบได้เพราะผู้อยู่ในแวดพรมัทญชังบวชเพียงนาทีเดียวก็ถือว่าเป็นคุณธรรมบรรจนสูงพระเอ็นพระพรหมประยมประการปยาหมากษัตริดหรือพระเจ้าจักรพัฒน์ก็ต้องกราบคนบวชในวันเดียวแม้เป็นสนัมมณร ท่านทั้งหลายทําการขอเข้ามาโทษท่านเป็นคนดีแน่นอนทางจากนี้หลยชาติหน้าและชาติก่อนท่านก็เป็นคนดีมาแล้วเป็นคนไม่ถือตัวก ร, รารบคาระวะต่อผู้หลักผู้ใหญ่ต่อพระสงฆ์องค์เจ้าต่อผู้มีวิญวุตโตคุณวุตโตชาติวุตโตก็มีคนนั้นถูกตร ง, งการกราบไหว้ไม่ใช่ได้ที่คนรับกราบ คนรับกราบไม่ได้อะไรแต่คนกราบ ไ, ได้เต็มที่เลย ด, ดีในชาตินี้ด้วยดีในชาติหน้านด้วยเพียงกราบนิดเดียวในทางทั้งหลายไม่ต้องเสียงเงินเส้อทองนอบน้อมอ่อนโยนต่อผู้อื่นนี่แสดงว่าจิตใจสูงจะยกเรื่องสักนิดพระราชกุมารองดึงโหดร้ายทาดุนเถือว่าพ่อเป็นกระ จะทุกจะตีนางสนมพวกธาตุาสีตาชาท่านถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่พอโตอขึ้นมาในก่กห็หดร้ายสา้าโดนหนักขึ้นพระบิดาจงไปขวากไว้กับฤาษีว่าอาจารย์ฤาษีเด็กนี้ดื้อด้านไม่กรอรบผู้หลักผู้ใหญ่ข้าพเจ้าไม่รู้จะทำยังไงต้องมากว่ากท่าน่านารือฤาษี ก็ไปย่าวันอนุญาตให้ทุกใหตีได้ญาไปถือว่าเป็นลูกกษัตริย์พออยู่ไปอยู่มาอยู่กับเพื่อนนักศึกษาด้วยกันวันหนึ่งต้องได้เลือดกันใดคนหนึ่งแน่นอนชอบบ้างต่อยบ้างเตะบ้างจำทุกอย่างท่านเลือดสีก็พาลูกศิดทั้งหลายไปในป่าไปดูไม้ดูนกมื่ต้นไม้ต้นหนึ่งเลือกให้ต้นะเดา ผมมากมันเกิดวันแรกขึ้นมาจากแผ่นดินเปลียงคืบเดียวเรือศีก็พูดว่าพระกุมารลองถอนต้นไม้อ่อนใบอ่อนนี้มากินดูการดูว่ามันหรือเค็มหรือเปรี้ยวอย่างไงพระกุมารก็อมือกระชากยอดยอดไม้อ่อนออๆและวปะเที่ยวมันก็มขมกันนั้นหนะักท่านก็ว่าขอโทษนะ ไม่ชาชั่วแกก็เตะดินลงไปเทีบดินลงไปข่มนักข่มนักะฤทิวากุมารต้นไม้ตนม้ตนนี้เมื่อเล็กมันยังขมขนาดนี้ถ้าต้นมันใหญ่ก็จะขมขนาดใดท่านเองก็เหมือนกันโหดร้ายการุนตั้งแต่เล็กๆพอโตอขึ้นมาท่านจะโหดร้ายมากจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำเป็นสุภาพมาทุภาพ เขามากวากเราไว้นี้เราถือว่าสิตคติของเราต้องสอนให้พระกุมารกุมารจำเนึกรู้สึกตัวจิบัดนี้พอถูกว่าเขาอย่างนั้นญาติโยนทั้งหลายเพราะวิสัยคนมีบุญเกิดได้โกลต์สะโพกสูงนี่จึงจะโหดร้ายถ้าเกิดในถูกทางอาจารย์สอนดีก็จะจำเนึกรู้สึกตัวพระกุมารน้ำตาไหลเสียใจ ที่ฤถษีพูดถูกต้องจึงว่าต่อไปนี้ข้าพุทเจ้าจะไม่แสดงอากัปริยาอย่างนี้แล้วเพราะข่ารับอาจารย์พอกลับไปยังบ้านเมืองไปถึงก็กรากพระบิดนมารดากราบผู้ท้าผู้แก่ในวังนั้นก็ว่าลูกของเรานือสัยดีมาจากฤาษีจังใดคนเราจะดีมาจากฤาษีคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นฤาษีอย่างหนึ่ง คือเป็นผู้ดีของโลกที่สอนโลกไว้ว่าคนควรคารพ ก, กันตามอายุปัญษาคารพ ก, กันตามวัยวุฒิโต้วุฒิวุโตเพราะการคารพนั้นจะได้ดีทุกอย่างคนไม่คารพถือว่าเป็นคนห่างไกลเหมือนกวากับดินห่างไกลกว่าดีท่านทั้งหลายเป็นคนดีทำพิธีขอกระหม่โมทนี้ ยังขออำนวยอวยพรในด้านทุกทุกคนทูกสมบูรตัวจะทุกข์พิจารใจอายุวันนะสุขระพราถุกายถูกใจสะอดกาลและนานเ ด, ดิสอาธุสาธุสาธุสาธุสาธุสาธุสาธาธาุส